านท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่กทานวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห ก, กกรกฎาคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาว่า เพื่อมาเสริมความงามให้แก่ชีวิตจิตใจชีวิตของคนเรานั้นมีความสวยงามอยู่สองส่วนด้วยกันคือสวยกายและสวยใจสวยกายนี่เป็นความสวยชั่วคราวเพราะจะต้องเสื่อมไปตามการตามเวลา ไม่ว่าจะเสริมอย่างไรให้สวยอย่างไรก็จะไม่สามารถที่จะต่อต้านสัจธรรมความจริงคือความแก่ได้ส่วนความสวยงามอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าสวยใจความสวยใจนี้เป็นความสวยที่ถาวรเพราะไม่ต้องไม่เสริม ไปกับการกับเวลาเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่เสือ่อมไม่ตายนั่นเองและความสวยใจนี้เป็นความสวยที่แท้จริงเป็นความสวยที่จะชนะใจของผู้อื่นแต่ความสวยกายนี้จะชนะก็เพียงชื่วระยะแรกๆเวลาที่ ได้สัมผัสได้เห็นใหม่ๆแต่ถ้าได้สัมผัสกับความสวยของกายพร้อมกับความไม่สวยของใจในในในความสวยของกายความสวยของกายก็จะไม่มีความหมายไปเช่นคนเรามีรูปร่างหน้าตาสวยงาแต่ใจไม่สวย ใจไม่ใช่เป็นคนใจบุญเป็นคนใจร้ายเป็นคนไม่มีศีลไม่มีสัจถ้าอย่างนี้ไม่ว่าจะอยู่กับใครต่อให้ร่างกายจะสวยงามอย่างไรก็จะไม่สามารถเอาชนะใจผู้อื่นได้จะชนะได้ก็เพียงช่วงระยะแรกๆที่เรียกว่า รู้กายแต่ไม่รู้ใจคือคนเราเวลาเห็นหน้ากันใหม่เราก็จะเกิดความประทับใจที่รูปร่างหน้าตาของเขาแต่พอเราต้องอยู่กับเขาแล้วเราเริ่มเห็นความไม่สวยงามของใจความชื่นชมยินดีในความสวยงามของร่างกายก็จะหมดไป พอถูกความไม่สวยงาม <c oughs> ของใจนี้มาลบล้างไปหมด <c oughs> ดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสนใจต่อการเสริมสวยทางใจให้มากกว่าการเสริมสวยทางร่างกายทางร่างกายถ้าเสริมสวยได้ก็ทำไป แต่อย่าไปหลงคิดว่าเป็นความสวยที่แท้จริงเพราะไม่ช้าก็แล้วความสวยงามของร่างกายก็จะต้องเสื่อมไปบางครั้งก็เสือ่อมบางส่วนก็เสื่อมในเวลาวันเดียวกันนี้เช่นตอนเช้าตื่นมาก่อนจะออกมาแล้วก็อาบน้ำอาบทาแต่งเนื้อแต่งตัวใส่เครื่องสำอางใส่น้ำหอม วิภาวิผมใส่เสื้อผ้าอภรรต่างๆก็พอมีความสวยงามทางร่างกายแต่พอออกไปทำภารกิจการงานต่างๆเดี๋ยวผมก็เกิดความยุ่งเหยิงร่างกายก็เกิดมีเหงื่อคลไหลออกมามีกิ่นไม่ปรารถนาไหลออกมาเครื่องสำอางก็ละลายจางไป ต้องมาคอยผัดหน้าแต่งตัวอยู่เรื่อยๆพอเย็นกลับมาบ้านก็ต้องล้างหน้าล้างตาอาน้ำอาบท่าชำระเครื่องสมมางชำระเครื่องเสริมสวยต่างๆให้หมดไปอันนี้เป็นความเสริมสวยเพียงระยะสั้นๆแต่จะต้องมาเหนื่อยกับการเสริมสวยไปอยู่เรื่อยๆเหนื่อยกับการหาเงินทอง เพื่อจะได้มาซื้อเครื่องสำางซื้อเสื้อผ้าอภารรต่างๆมาคอยแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูสวยงามแต่ถ้าไม่คอยเสริมสวยทางใจเลยก็จะไม่มีใครเขาจะชื่นชมยินดีได้เป็นเวลายาวนาน ชื่นชมยินดีชื่อระยะแรกๆที่ได้รู้จักได้คบค้าสมาคมกันแต่พอเห็นความไม่สวยงามของทางใจโผล่ออกมาแล้วต่อให้มีเสื้อผ้าพอสวยงามขนาดไหนมีรูปร่างหน้าตาสวยงามขนาดไหนก็จะไม่สามารถชนะใจของผู้อื่นได้ในทางตรงข้าม ถ้าเราไม่ต้องพิถีพิถันกับการเสริมสวยทางร่างกายให้มากจนเกิดไปทําแบบตามธรรมชาติคืออาบน้าําอาบน้าล้างหน้าล้างตาหวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยเท่านี้ก็พอแล้วแล้วเอาเวลามาเสริมสวยทางจิตใจดีกว่าเสริมสวยจิตใจให้สวยงามด้วยความเมตตากราุณามุฎิตาอุเบกขา เมตตาก็คือมีความปรารถนาดีต่อทุกๆคนคิดว่าทุกๆคนเป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นศัตรูเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับเราดีหรือชั่วเราจะไม่ถือโทษกอเครเราจะแผ่เมตตาให้ความรักกับเขา ให้เขาไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นทิษเป็นภัยเป็นอันตรายกับเขาให้ความสงสารเขาเวลาที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากให้รูปนิตาจิตคือให้ความชื่นชมยินดีเวลาที่เขาได้รับความสุขความเจริญ น, นี่คือความสวยงามทางใจ ต้องสวยด้วยเมตตากรุณาบุริตาส่วนอุเบกขานี้เราก็เก็บไว้ในกรณีที่เราไม่สามารถใช้เมตตากรุณาบุริตาได้เช่นเราแผ่เมตตาเขาก็ยังไม่ชอบที่หน้าเราเราช่วยเหลือเขาเขาก็ยังเบียดเรา เราชื่นชมยินดีกับความสุขความจเจริญเขาก็ยังไม่ชอบเรา อ, อย่างนี้เราก็ต้องใช้อุเบกขาคือวางใจให้เฉยเฉยไม่โกรธแค้นโกรธเคืองไม่เสีย อ, อกเสียใจให้ตรงไปว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยทำได้เท่านี้เราอยากจะแผ่เมตตาให้ความช่วยเหลือ สงคองเขาชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของเขาแต่ถ้าเขาไม่อยากจะยินดีกับความปรารถนาดีของเราเราก็อย่าไปเสียใจถือว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเขาเป็นคนที่ไม่รับบุญคือเป็นคนที่บอกบุญไม่รับให้บุญก็ไม่เอาอย่างนี้ก็ต้องต่างคนต่างอยู่ไป แต่เราจะไม่ไปคิดร้ายกับเขาจะไม่ตอบโต้ด้วยกิริยาอาการต่างๆที่ไม่น่าดูน่าชม น, นี่คือการรักษาความสวยงามของใจของเราถ้าเราอยากจะสวยงามเราก็ต้องรักษาศีลให้ได้คือเราต้องไม่ฆ่าสัตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดต่อเสพสุรายามาเพราะการกระทำเหล่านี้จะทําให้เราไม่สวยงามนั่นเองความสวยงามทางใจนี้ชนะความสวยงามทางร่างกายและกลิ่นของความสวยงามของใจนี้จะกระจายไปทุกทิศทุกทางทั้งเหนือลมและตามลง ไม่เหมือนปลิ่นของน้ำหอมที่จะกระจายไปตามลมเท่านั้นจะไม่กระจายไปทวนลมแล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมคลายเช่นความสวยงามของพระพุทธเจ้าที่พวกเรากราบว่าบูชากันอยู่ทุกวันนี้ทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยได้พบกับพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่ เราได้ศึกษาพระประวัติอันดีงามของท่านที่มีพระเมตตากรุณามีมุญิตาอุเบกขาต่อสัตว์โลกทั้งหลายทำให้พวกเรามีความเคารพนับถือชื่นชมยินดีในความสวยงามทางพระไทยของพระพุทธเจ้าดังนั้นขอให้เราจรงพยายาม สร้างความสวยงามให้กับทางใจจะดีกว่าอย่าเสียเวลากับการสร้างความสวยงามทางร่างกายเพราะอาจจะทำให้เราต้องไปทำในสิ่งที่จะทำให้ใจของเราไม่สวยงามได้เช่นถ้าเราอยากจะ ซ, ซ, ซื้อเสื้อผ้าซื้อข้าวซื้อของต่างๆมาเสริมสวยทางร่างกาย แล้วถ้าเราไม่สามารถหาเงินมาได้พอเพียงเราก็อาจจะไปทำบาปไปช่อโกไปรักทัพย์ไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะให้เราได้มีทรัพย์มาซื้ อ, อเครื่องที่จะมาเสริมสวยของร่างกายของเราเราได้ความสวยทางร่างกาย แต่เราจะได้ความไม่สวยของทางใจไปแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วความไม่สวยของใจนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาพอปรากฏขึ้นมาแล้วความสวยงามทางร่างกายก็จะหมดความหมายไปคนลานี้ท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าเป็นเหมือนดอกไม้ดอกไม้นี้มีอยู่สี่ชนิดด้วยกัน คือชนิดแรกนี้สวยรูปแล้วก็กลิ่นหอมชนิดที่สองสวยรูปแต่กลิ่นไม่หอมชนิดที่สามรูปไม่สวยแต่กลิ่นหอมและชนิดที่สก็คือรูปก็ไม่สวยกลิ่นก็ไม่หอมคนเราก็มีคุณลักษณะสี่ประการเช่นเดียวกับดอกไม้ สวยกายสวยใจสวยกายแต่ไม่สวยใจไม่สวยใจไม่สวยกายแต่สวยใจและไม่สวยทั้งกายและไม่สวยทั้งใจขอให้เราลองสำรวจดูตัวเราเองว่าเราเป็นดอกไม้ชนิดไหนชนิดที่สวยทั้งกายและสวยทั้งใจ หรือสวยแต่กายแต่ใจไม่สวยหรือกายไม่สวยแต่ใจสวยหรือไม่สวยทั้งกายและสวยไม่สวยทั้งใจเรื่องความสวยความงามทางร่างกายบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ได้เช่นเกิดมามีหน้าตาอัปลักษณ์ไม่สวยงาม ต่อให้ใช้เครื่องสำมางต่อให้ทำศัยกรรมตกแต่งอย่างไรก็จะไม่สามารถที่จะทำให้สวยทางร่างกายได้อันนี้ต้องขอให้เราตรงว่าเป็นวิบากรรมของเราเป็นผลที่เกิดจากความไม่สวยงามทางจิตใจในอดีตชาติคือไม่รักษาศีลไม่ทำบุญ ไม่มีความเมตตากรุณาโมนิตาอุเบกขาชอบแต่ทำบาปชอบแต่สร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นพอตายไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องมาได้รูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยงามถ้าอยากจะได้รูปร่างหน้าตาสวยงามในภพหน้าชาหน้าก็ต้องมาเสริมสวย ทางใจมาเจริญเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขามาทาบุญเสียสละแบ่งปันอย่างที่ญาติโยมมาทากันวันนี้มีข้าวของเงินทองก็เอานาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาความปราณถนาดีเจริญกรุณาความสงสาร เห็นผู้เดือดร้อนอดอยากขาดแคลก็เอาถ้าวเอาของต่างๆมาจุดมาแ บ, บ่งปันกันทําไปเรื่อยๆใจก็จะสวยงามขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้ารักษาสิ่ได้ก็ยิ่งจะสวยงามมากขึ้นไปแล้วถ้าทําใจให้เป็นอุเบกขาได้เช่นเวลาใครมาทําให้เราไม่พออกพอใจเราก็จะนิ่งเฉย ไม่ต่อตา้านไม่ตอบโต้แผ่เมตตาให้อาภัยไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะได้ใจที่สวยงามในปัจจุบันและเราจะได้ร่างกายที่สวยงามในอนาคตต่อไปนี่คือเรื่องที่เราควรจะพิจารณาเพราะว่าการกระทาของเรานี่แหละ เป็นผู้สร้างความสวยหรือความไม่สวยให้แก่ร่างกายและจิตใจของเราจิตใจของเราเราสามารถสร้างให้สวยงามได้ในชาตินี้แต่ร่างกายของเรานี้เราต้องรอชาติหน้าถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราทำบุญอย่างพระพุทธเจ้าอย่างในสมัยที่เป็นพระเวชสังดร ทรงเสียสละแบ่งฟันข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆแบ่งฟันประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากลำบากของพระองค์พอพระเวชสันดรตายไปก็ได้ไปรับผลบุญในสวรรค์แล้วพอออกลงมาจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสัสิท ธ, ธัตถะ ผู้มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีประสาทสามฤดูมีพระราชาสมบัติและมีบุญบา ร, รมีที่สามารถสละสิ่งต่างๆเพื่อออกบวชและได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นผู้ที่มีความสวยงามทางใจอย่างเต็มที่เลย เป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่คือผลสุดท้ายที่เราจะได้รับจากการที่เรามาเสริมความสวยงามทางทางใจกันอย่าเสียเวลาไปเสริมสวยกับความสวยงามทางร่างกาย ถ้าใจสวยแล้วรับรองได้ว่าจะมีคนรักคนชอบเราอย่างพระภิกษุนี่ทางร่างกายท่านก็ไม่สวยงามตรงไหนสีสรษะก็โลนเสื้อผ้าก็มีแต่สีเหลืองหม่มแต่กลับมีคนเคารพนับถือมีความชื่นชมยินดีเพราะว่าท่านมีความสวยงามทางใจท่านมีศีลมีสัจ ท่านมีความสํารวมมีความสงบไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนั่นเลงนี่ละคือความสวยงามทางใจที่จะอยู่ติดไปกับใจไปตลอดตายไปจากชาตินี้พอกลับมาเกิดใหม่ใจที่สวยงามก็จะสวยงามต่อไปไม่มีไม่หมดไป ถ้าตาดใดเราบำเพ็ญอยู่เรื่อยๆเรยสริมสวยอยู่เรื่อยๆทำบุญอยู่เรื่อยๆละบาปอยู่เรื่อยๆทำใจให้สงบอยู่เรื่อยๆอันนี้แหละที่จะทําให้ใจของเรามีความสวยงามและมีความสุขจะมีใครรักเราหรือไม่รักเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะความสวยงามของเรานี้ จะทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจพอใจภูมิใจใครจะรู้ว่าเราสวยหรือไม่สวยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะความสวยงามของใจจะทำให้เรามีความอิ่มใจจะไม่มีความหิวเหมือนกับความสวยงามทางร่างกายยิ่งเสริมความงามทางร่างกายไปมากเท่าไหร่ยิ่งเสริมความหิว อยากอยากให้คนรักคนชอบเราเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เวลาที่ไม่มีใครรักไม่มีใครชอบเวลานั้นก็จะเกิดความเสีย อ, อกเสียใจเกิดความโกรธเกลียดพูดขึ้นมาดังนั้นขอให้เราแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์จริง เช่นเวลาเราเจอใครเราควรยิ้มให้เขาควรทักทายเขาเช่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีรอครับสบายดีรอเปล่าไม่ใช่เจอหน้ากันแล้วก็บึ้มตึงแยกเคี้ยวใส่กันอย่างนี้ไม่เรียกว่าแผ่เมตตาการแผ่เมตตาเวลาที่เราอยู่คนเดียวเช่นเวลาเราสวดมนต์ไหวพ้พระแล้วเราก็ ส่วนบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวราโหณตุอภัยาปชาโหงตุ อ, ตอนีคาโหงตุสุขีอัตานังปะลิหะรันตุอันนี้เป็นการสอนใจเป็นการทำการบ้านยังไม่ได้เป็นการแผ่จริงเป็นการสุขซ้อมสอนใจให้รู้จักให้อภัยให้รู้จักไม่จองเวจองกรรม ให้มีความปรารถนาดีต่อผูอ้อยากให้ผู้มีความสุขถ้าเราซ้อมไว้ก่อนเวลาเราเข้าห้องสอบก็คือเวลาเราเจอเหตุการณ์จริงเราจะได้แผ้ได้ถ้าไม่ซ้อมไว้ก่อนเวลาเจอเหตุการณ์จริงพอเจอใครเขาด่าเราหน่อยก็เกิดความโกรธขึ้นมาทันทีเวลาเขา ทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจหน่อยก็ตอบโต้เขาไปทันทีด่าเขา ท, าทันทีทำร้ายเขา ท, าทันทีอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าแผ่เมตตาแต่แผ่ความไม่เมตตาแผ่ความโหดร้ายทารุณผู้ที่ไม่แผ่เมตตาจะทำให้ผู้อื่นเขาชื่นชมยินดีรักเราได้อย่างไรมีแต่ผู้ที่แผ่เมตตาท่านั้น ที่จะทําให้ผู้อื่นรักและชื่นชมยินดีได้ดังนั้นขอให้เราซ้อมไว้อยู่เรื่อยๆเดินสติเรื่อยๆว่าเราต้องส่งความสุขให้แก่ผู้อื่นเหมือนตอนที่เราส่งความสุขตอนขึ้นปีใหม่เราส่งของขวัญให้กันเราท่งบัตรเชิญให้กันเราเชิญให้ไปกินเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกันเราควรทําทุกวัน ขอให้คิดว่าทุกวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่อย่าทําแค่วันปีละหนเดียวถ้าทําปีละหลนนี้มันไม่สวยงามพอต้องทําทุกวันทํามากทําน้อยทําได้ทาไปส่วนส่วนกรุณาก็คือเวลาที่มีผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนลาบากลาบน่นขอให้เราช่วยเหลือเขา ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เราไม่ชอบถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เราโกรธดอกเกลียดถ้าเราสามารถแพ่ความกรุณนาให้กับเขาได้เราจะสวยงามมากทีเดียวการการช่วยเหลือคนที่เราลักนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งยากเย็นแต่การที่เราช่วยเหลือคนที่เราไม่รักคนที่เราโกรธเราเกลียดได้ เป็นสิ่งที่วิเศษมากเพราะจะทำให้ใจของเรามีความสุขมากจะทำให้ใจของเราไม่มีความวุ่นวาย<ม>เดือดร้อนโกรธเกลียดเวลาเจอคนที่เราไม่ชอบที่หน้าอย่างนั้นก็ขอให้เราพยายามช่วยเหลือกันใครเดือดร้อนช่วยมากช่วยน้อยก็ดูไปตามเหตุตามผล ตามกำลังของเราขอให้คิดว่าเงินทองที่เรามาอยู่นี้เก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเอามาช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้จิตใจเราสวยงามจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขเช่นเดียวกับการแผ่มุนิตาก็คือเวลาผู้อื่นเขามีความสุขความเจริญ แม้จะอยู่บนกองทุกข์ในของเราก็ตามเช่นผู้อื่นเขาได้แฟนของเราไปเป็นไปเป็นสามีไปเป็นภรรยาเราก็ควรจะแสดงความยินดีถ้าเราแสดงความยินดีได้เราก็จะมีความสุขถ้าเราแสดงความยินดีไม่ได้เราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ใจเพราะว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้ เราแพ้เขาแล้วใจของเราไม่สวยงามพอที่จะเหนี่ยวรั้งให้เขาเป็นแฟนของเราเป็นสามีเป็นภรรยาของเราได้ถ้าเขาต้องการจะไปเป็นภรรยาเป็นสามีของผู้อื่นเราก็อย่าไปเสียใจเราควรจะแสดงความชื่นชมยินดีเพื่อเราจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันถ้าเราไม่ยินดีเราไปโกรธไปเกลียดเขา แล้วไปพยายามไปทำร้ายเขามันก็จะเป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปเราทำร้ายเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำร้ายเราเวรกรรมนี้ไม่มีวันสิ้นสุดเวรกรรมจะสิ้นสุดได้ก็ด้วยการไม่จองเวรเท่านั้น <c oughs> นี่คือคนที่ไม่จองเวรนี่แหละเป็นคนสวยงามถ้าจองเวรจองกรรม ก็แสดงว่าเราก็เร็วเท่ากับเขาหรือเร็วกว่าเขาถ้าเราอยากจะดีกว่าเขาเราก็ต้องยกโทษไม่จองเวจองกรรมต้องแสดงความยินดีถ้าสิ่งที่เขาทำทำให้เขามีความสุขก็แสดงความยินดีไปส่วนในกรณีที่เราอยากจะช่วยคนนั้นคนนี้ที่เราลัก ที่เราชอบหรือที่เรารักไม่ชอบแต่เราไม่สามารถทําได้เช่นเขาเป็นเป็นโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้เราส่งไปโรงพยาบาลไปหาหมอแล้วช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่แล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะหายจากโรคภัยได้เราก็ต้องทําใจให้เป็นอุเบกขา คือต้องยอมรับความจริงว่าเป็นกรรมของเขาเขาทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นหรือเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําใจให้เป็นอุเบกขาอย่าไปเศร้าโศกเสียใจ อย่าไปโทษตัวเราเองว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้เพราะไม่เป็นประโยชน์อะไรขอให้เราทำเต็มที่ก็แล้วกันช่วยช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องทางใจว่ามันเป็นเรื่องของบุญของกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือเรื่องของพฤติกรรมการกระทาของเขาที่เราเห็นว่าไม่ดีเราอยาจะ บอกเขาให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทําตัวของเขาให้ดีแต่ถ้าเขาไม่ยอมทําเราก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปเสียใจเราก็ต้องถือว่ามันเป็นวิบากของเขาเขาเคยทําอย่างนี้มามันก็ติดนิสัยของเขามาเขาก็ย่อมทําอย่างนี้จนกว่าจะเขาจะเห็นโทษของการกระทําของเขาเองว่าไม่สวยงาม ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขความเจริญถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็จะแก้ไขตัวเขาเองได้อย่างมากเราทำได้ก็บอกเขาเท่านะั้นถ้าบอกแล้วเขาไม่ทำก็ถือว่าเราหมดหน้าที่แล้วเราอย่าไปทุกข์อย่าไปอยากให้เขาเป็นตามความต้องการของเราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะวุ่นวายใจ เราก็ต้องเจริญโอเบขาวิธีเจริญโอเบขาก็คือต้องทำใจให้สงบ ต, ต้องควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรแล้วใจจะเย็นใจจะสบายใจจะไม่วุ่นวายไปกับการกระทาของคนของผู้อื่นไม่ว่าจะทำดีหรือทำชั่วเราก็จะไม่เดือดร้อน เราจะวางใจของเราให้เป็นอุเบกขาได้นี่คือเรื่องของการมาเสริมความสวยความงามของเราที่พวกเราทุกคนสามารถเสริมได้ไม่ว่าร่างกายจะสวยงามหรือไม่สวยงามก็ตามถ้าเราเสริมความสวยงามของใจเราได้แล้วใจของเราเราจะเป็นคนที่มีความสวยงามจะเป็นคนที่มีความ มีคนชื่นชมยินดีเคารพนับถือจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเสริมความงามด้วยการทำบุญรักษาศีลและการทำใจให้สงบนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสวยงามที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา